เพราะแม่วันนี้มีการไลฟ์สดครั้งแรกนะเพราะไม่เคยเทศแบบนี้เคยไปเทเลคอนเฟรนท์ไปเฉพาะที่นี่มันกว้างได้ยินว่าในต่างประเทศ ก็มีถ่ายทอดไปแล้วก็แปลภาษากันเร็วทัมในเมืองไทยก็มีทั้งตามวัดต่างๆกือตามบ้านในขนาดฟังธรรมนะพ่อขอร้องให้พวกเราตั้งใจฟังธรรมจริงๆฟังธรรมมาเพื่อธรรมะ การกดไลค์การคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันไล้สาระทำให้ใจเราวกแวกะคนอื่นมาเห็นคอมเมนต์หรือยก็อยากคอมเมนต์บ้างอะไรมันไม่ใช่วิธีทางของนักปฏิบัติเราใช้เทคโนโลยีมาเพื่อประโยชน์สำหรับศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติ แต่เราไม่เอานิสัยของชาวโลกมาใช้ต้องแสดงความมีตัวตนจะทำอะไรก็ต้องย้ำความมีตัวตนการจะไปกดไลค์การคอมเมนต์อะไรเนะี่ยมันคือการประกาศตัวตนอย่างหนึ่งเหมือนกันของเราปฏิบัติธรรมนะเพื่อถอดถอนความมีตัวตนเพราะตัวตนนั่นแหละมันเป็นที่รองรับความทุกข์ งั้นการที่เรามาศึกษาธรรมะนะเป็นทางที่เฉพาะตัวเพื่อปลดตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่เพื่อการรวมกลุ่มกันเฮหามีสมัครพักพววธทรมโน้นทรมนันี้ให้มันวุ่นวายใจงั้นธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องของเราเอง เป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็พยายามมีสตนะิศึกษาลงไปในร่างกายในจิตใจของตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรามันก็ประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมถ้าเราสังเกตให้ดีนะความทุกข์มันก็มีอยู่สองอย่าง ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางจิตใจนั้นตัวรูปธรรมตัวนมามธรรมนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราจะภาวนานะปฏิบัติไปจนกระทั่งมีกายกายก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ในใจเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรนั่นแหละแต่ว่าใจเราก็ไม่มีความทุกข์เป็นการฝึกถอดถอนตัวเอง อ อ, อตราบใดที่เรายึดถือกายเราก็ยังทุกข์เพราะกายตราบใดที่ยึดถือความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทางใจเราก็ยังทุกขนะ์เพราะใจทำยังไงเราจะหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในใจ เราจะหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจได้นะถ้าเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจการเรียน่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะนะั่นแหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนอกเหนือจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนะี่ยไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เด็ดขาด พรวิปัสสนากรรมฐานจะทําให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจปัญญานั่นแหละจะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอยู่เฉยๆมันไม่เกิดม่นต้องมีสมาธิรองรับสมาธิจะมั่นคง เมื่อมีศีลรองรับเงนสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาในเรื่องของปัญญาเนี่ยเวลามันจํากัดพ่อพูดเรื่องปัญญาก่อนการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นความจริงของกายของใจเรียกความเห็นความจริงของรูปนาม พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วความทุกข์ทั้งหลายในใจไม่มีอีกแล้วกิจการที่จะถอดถอนใจออกจากความทุกข์ไม่มีอีกแล้วนั้น การที่เราจะเข้าถึงมรรคนิพพานนะรู้แจ้งเห็นจริงจนกระทั่งปล่อยวางได้เราก็ต้องมาหัดรู้ความจริงของกายหัดรู้ความจริงของใจมันมีเครื่องมือที่สําคัญอยู่สองตัวเครื่องมือที่สําคัญสองตัวที่จะทําให้เรารู้ความจริงของกายของใจได้ก็คือสติกับสมาธิ สติจะเป็นตัวระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความปรากฏอยู่ของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมนี่ถ้ามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เฉยๆนะปัญญายังไม่เกิดพะตัวที่ทำให้เกิดปัญญาได้คือสมาธิในตำราเขาสอนกันนะบอกว่าสมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใน้การที่เรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่นะียยังไม่ทำให้เกิดปัญญาจริงอย่างช่วงหลายสิบปีเนาะหลวงพ่อสอนเพื่อนเพื่อนให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ดูความจริงของกายของใจไปตรงที่รู้สึกตัวนี่แหนะคือใจที่ตั้งมั่น และตรงที่สามารถดูกายดูใจได้เท่านั้นคือตัวสติใหม่ๆหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้บางคนหัวเลาะนะหลวงพ่อประมอดสอนอะไรไม่เข้าเรื่องสอนให้รู้สึกตัวทำไมไม่สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นกรรมวิจีในการปฏิบัติ จุดสำคัญที่เราไปหายใจหรือไปทำกรรมฐานใดๆก็ตามนะเพื่อจะปลูกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นนนความรู้สึกตัวนี่เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะเจริญปัญญาต่อไปแต่มันยังไม่ใช่การเจริญปัญญาเป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองความรู้สึกตัวคือร่างกายมีอยู่เราก็รู้ว่ามีอยู่ ใจิตใจมีอยู่เราก็รู้ว่ามีอยู่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มานะตั้งมั่นขึ้นมานี่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งจากรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ไปแล้วก็มีใจเป็นคนดูตรงที่มีใจเป็นคนดูมันก็มีใจเป็นคนดูกับมีอารมณ์ที่ถูกใจดูมีสองอย่างเกิดขึ้น พอมีสองอย่างมีจิตกับมีผู้รู้คือจิตจะคือตัวผู้รู้นะกับอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้มีสองอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญาบันทึกจะเกิดแต่ก่อนที่จะถึงขั้นที่แยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้ก็หัดรู้สึกตัวก่อนถ้าใจิตใจเราฟุ้งซ่านล่องลอยตลอดเวลามันไม่มีทาง ที่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้งั้นในเบื้องต้นก็ฝึกที่จะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัว<ม>ก็คือทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัด<ม>ทำกรรมฐานไปแล้วพอจิตมันหลงไปก็รู้จิตมันหลงไปก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจิตมก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ตั้งมั่นขึ้นมาได้ อรู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆนะ้าต้องดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตรงนั้นทีงเป็นมีปั ส, สนานะลำพังรู้สึกตัวอยู่เฉยๆยังไม่ถึงมีปั ส, สนาเห็นบางคนบอกหลวงพ่อพโมโอสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่ง็มารู้มรรคผลอันนั้นเป็นการกล่าวตูนะ่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความรู้สึกตัวไม่นจุดตั้งต้นที่พวกเราต้องฝึกก่อน คนในโลกรักตัวเองที่สุดแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาคนในโลกหากคนที่รู้สึกตัวได้น้อยเต็มทีเมื่อประมาณสามสิบปีก่อนหนูพ่อสอนเพื่อนๆ อ, อยู่กลุ่มหนึ่นงจนกรทั่งขยายตัวออกมาได้สิบขดแล้วก็พาไปกราบครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันเนี่ย ครูบาาจารย์บางองค์จิต ท, ท่านไหวมากเลยพอรถเราเข้าวัดท่านนะรถจอดนะั้นท่านหันกลับเลยท่านมองเข้าไปฟังธรรมบางองค์ท่านอุทานนะมันไปรวมกันมาได้อย่างนี้ได้ยังไงที่ไปรวมมาไม่ใช่รวมพระอริยะมานะยังไม่ได้ถึงพระอริยอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่ใช่ใจร่องลอย มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดคนทั่วๆไปมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาดูรูปมันก็หลงไปดูเวลาได้ยินเสียงมันก็หลงไปฟังเวลาได้กลิ่ น, นก็หลงไปดมกลิ่นเวลากระทบรสนะลิ้นกระทบรสมันก็หลงไปกระรสนะเพลินเมามันในการรับประทาน เวลามีอะไรมาสัมผัส ร, ร่างกายอย่า ง, งยุงมากัดนะีใจก็พุ่งออกไปที่ร่างกายพุ่งออกไปที่ยุงอาคาดแขนยุงขึ้นมานะไม่เห็นต็ตบยุงให้ตายยุงบินหนีไปก็เดินตามไปนะหาทางตีให้ได้แก้แค้นเนี่ยไม่เห็นวเวลาพยายามมาฝึกนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นจุดตั้งต้นเลยที่เราจะปฏิบัติกัน อย่าปล่อยใจให้ล่องลอยหนีไปตลอดเวลาในโลกคนในโลกเนี่ยเต็มไปด้วยคนหลงในโลกนี้จะหาคนรู้สึกตัวเนี่ยหายากเต็มทีมันมีแต่คนหลงงั้นอย่างหลวงพ่อสอนพักพวกได้สิบคนนะพาไปกราบครูบาอาจารยนะ์ท่านอุทานนะว่ามันไปรวมกันมามากขนาดนี้ได้ยังไงสิบคนว่ามากแล้วนะในยุคนนะั่น เพราะคนเอาแต่ทำสมถะให้สงบอย่างเดียวมุ่งแต่ความสงบอ่ะไม่ได้มุ่งที่ความรู้สึกตัวมุ่งที่ความรู้สึกตัวนะมันจะเดินปัญญาต่อได้มุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียวเนะี่ยมันไม่เดินปัญญาหรอกมันก็สบายเฟลินๆเไปตายไปเขไปไปอยู่นะในพรหมโลกนะถ้าสงบมาก ม, า ก, มา ก, ก็ไปเป็นพระพรหม สงบน้อยหน่อยจิตเป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แค่นั้นเองมันยังไม่เกี่ยวอะไรกับทางคนทุกข์จริงๆแต่การที่เรามาฝึกตัวเองมาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เราเจริญปัญญาคือสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าเรามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจ เราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจเพราะมันลืมไปแล้วไม่สนใจซะละมัวสนใจของข้างนอกสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตะพะคือสิ่งที่สัมผัสกายในเรื่องราวที่คิดนึกทางใจเนี่ยหลงออกไปหาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตะพะธรรมารมล่าเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองจิตมันหลงออกนอกไป งั้นเราต้องพยายามฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันล่องลอยหนีไปตลอดเวลาวิธีที่จะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะกรรมาฐานไม่ใช่อยู่ๆก็รู้สึกตัวลอยลยขึ้นมาได้ไม่มีหรอกวาสนาบารมีของคนรุ่นเรานะอยู่ๆก็รู้สึกตัวนะไม่มีหรอกต้องฝึกนี่บางคนนะ ชาติก่อนๆเคยฝึกมาแล้วอันนี้เป็นข้อยกเว้นชาติก่อนๆเคยฝึกมาแล้วแต่ว่าตอนตายนี่มันลืมลืมเรื่องความรู้สึกตัวต่อมาพอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะจิตเกิดไปสัมผัสอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมาโดยชภพาอารมณ์ในตระกูลความตกใจ อันนี้ไม่มีในทฤษฎีไม่มีในตำรา ห, หรอกเป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อรู้จักมักคุณกับนักปฏิบัติหลายท่านตัวรู้มันเกิดขึ้นมามีเรื่องตกใจอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆอายุสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านเรากำลังเล่นอยู่หน้าบ้าน ไฟมันไหม้บ้านเป็นตึกแถวเห็นไดสี่ห้าห้องถัดไปนะ่ไฟกำลังพุมงมนะ่งวันกระโมงข้ามานะคนกำลังโวยวายตกใจตกใจก็วิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งเข้าบ้านเก้าที่หนึ่งตกใจเก้าที่สองตกใจเก้าที่สามเห็นจิตที่ตกใจความตกใจขาดสะบั้นไปเลย จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาเป็นภาวะซึ่งแปลกประหลาดเรารู้สึกสภาวะเนี้ยมาทบทวนทีหลังไม่สภาวะที่เราเคยคุ้นเคยเคยคุ้นเคยอย่างเนี้แต่มันลืมไปแล้วแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเองตอนที่ตกใจแรงๆพอมันเห็นความตกใจตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าไปเห็นความตกใจเขา รู้สึกว่าวิ่งก้าที่หนึ่งกลัวตกใจวิก้าที่สองตกใจก้าที่สามเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตไฟจากข้างในออกมาสว่างพื้นออกมาความตกใจขาดสะบั้นไปมีพระองค์หนึ่งท่านเคยมาเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชท่านไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วไม่ทันสังเกต ไปยืนอยู่ตรงที่เขาจะจุดพลุพอถึงเวลาเนี่ยเขาจุดพลุเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงขึ้นมาเขาบอกท่านตกใจอ่ะตกใจนะมันเห็นความตกใ จ, จะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเข้าถึงภาวะแห่งความตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้เหตุรู้ผลเหมือนอย่างหลวงพ่อตันติเด็กไม่รู้เหตุรู้ผลนะว่าทําไมมันตื่นขึ้ น, นมาแล้วไม่เรียกว่าตื่นด้วยนะ เป็นสภาวะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักแต่ว่ามันมันเคยเห็นมันรู้สึกว่ามันเคยเห็นในของอย่างเนี้อันนี้ถ้าเราเคยฝึกมานะค่อยๆฝึกมาสะสมมาเราไปชาตินี้เกิดเรื่อภาวนาไม่ได้อะไรขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวไว้เคยชินที่จะรู้สึกตัวไว้ชาติต่อไปเวลาจิตไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นเอง ควมรู้สึกตัวนะั้นมันเป็นสภาวะของจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะจิตมันดีด ต, ตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงลนะนั่นเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะตอนนั้นไม่รู้เหตุรู้ผลนะรู้แต่ว่าอยู่ๆก็หลุดขึ้นมามารู้เหตุรู้ผลที่หลังต้องฝึกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีไม่ใช่ฟลุกตกใจแล้วก็ฟลุก เข้าถึงภาวะนั้นไม่ใช่ต้องฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรือทํากรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปเราทํากรรมฐานเนะี่ยจิตมันจะหลงได้สองลักษณะอันหนึ่งมันหลงไปคิดเรื่องอื่น ลืมกรรมาฐานเช่นเราหายใจเข้าพูุทหายใจออกโทอยู่เนี่ยจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องพุโทโธละเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าอ้าหลงไปแล้วนี่ตรงที่เรารู้ทันส ภ, ภาวะว่าหลงไปแล้วเนี่ยจิตก็จะดีด ต, ตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติไม่จําเป็นว่าต้องกลัวนะถึงจะเกิดตัวผู้รู้ ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจิตจะรู้สภาวธรรมตัวใดถ้ารู้ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันแล้วก็ตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นทั้งสิน้นเช่นใจเราโลภใจเราอยากเห็นเขามีตู้ตู้เขาเรียกอะไรตู้ปันสุขใช่ตู้แบ่งข้าวของให้คนที่ไม่มีเห็นเขามีตู้ใจมันอยากได้อยากได้ของในตู้ ถดีที่สุดคืออยากได้ทั้งตู้เลยนะใจมันอยากขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าใจมันโลภความโลภจะดับและความรู้สึกตัวหรือจิต ท, ที่เป็นผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เราเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะมันโวยไปเกือบหมดตู้แล้วไม่ยอมเลิกโทสะเราเกิดถ้าเราเห็นว่าจิตมีโทสะนะโทสะก็จะดับตัวรู้ก็จะเกิด เมื่อเราเห็นสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งก็ได้นะเห็นสภาวธรรมได้ถูกต้องแล้วตัวรู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราหัดทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพอจิตมันเคลื่อนไปที่อื่นส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดบางทีก็เคลื่อนไปดูอย่างเมื่อกี้เห็นคนมาเปิดตู้เงี้ยใจมันเคลื่อนไปที่คนนี่หลงไปทางตาในี่ใจมันเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราคอยรู้ทัน ใจมันเคลื่อนไปคิดทางใจแล้วค่อยรู้ทันแล้วตัวรู้มันจะเกิดขึ้นการเคลื่อนนั้นมีอีกลักษณะหนึ่งเวลาเราทํากรรมฐานเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเราดูท้องพองยุบเราขยับมือทําจังหวะอย่างสายลวงพ่อเทียนหรือทํากรรมฐานอะไรก็ได้การเคลื่อนมันจะมีลักษณะอย่หนึ่งก็คือ เคลื่อนไปแช่นิ่งๆไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งเคลื่อนหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานอันที่สองเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานแม้เวลาที่จิตเคลื่อนไปตามอารมณ์อย่างอื่นนีจิตมันจะหลงไปที่อื่นพอมันมาเคลื่อนมาจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนมันหลงอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็เคลื่อนเหมือนกัน ให้เรารู้ทันว่าตอนนี้ยจิตจมแช่ลงไปในอารมณ์กรรมฐานแล้วเช่นเราดูท้องพองยุคนะจิตมันไหลไปคอนเซนเทรตไปสนใจนะแน่วแน่แนบนิ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องทันทีที่เรารู้สภาวะถูกต้องว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตไหลจะดับจิตรู้จะเกิด จิตที่ไหลไปเป็นจิตที่มีโมหะนะชนิดอุทันกษะฟุ้งซ่านมันลืมเนื้อลืมตัวมันฟุ้งซ่านมันไหลออกไปงั้นเรารู้ทันว่ามันไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานความฟุ้งซ่านหรือการไหลเนี่ยจะดับคือเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนงั้นจิตผู้รู้เนี่ยอยู่ๆ อ, อย่าไปจงใจทําให้เกิดไม่มีใครจงใจทําจิตผู้รู้ให้เกิดได้ S <S <an itary> จิตผู้รู้เองก็เป็นอนัตตาแต่ว่าเมื่อไรจิตไม่หลงเมื่อนั้นจิตผู้รู้เขาเกิดงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอกุศลเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงจะดับจิตที่รู้จะเกิดขึ้นเองงั้นตัวรู้เนี่ยจิตรู้เนี่ยเราไม่จงใจทำให้เกิดมันจะเกิดของมันเอง แล้วหน้าที่ของเราก็แค่ทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ทันพอจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดก็ดับเกิดจิตรู้ขึ้นแทนจิตหลงไปดูเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปดูก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนมันเกิดเองไม่ต้องเรียกร้องให้เกิดเรียกร้องให้เกิดเป็นจิตโลภอยากรู้สึกตัววอยากรู้สึกตัวนัจิตมันโลภ จิตรอบไม่มีทางจะเป็นจิตรู้หรอกเพราะเป็นจิตอกุศลแต่ถ้าเรารู้ว่าอุ้ยตอนนี้กำลังลุ้นอยู่อยากจะมีผู้รู้อยากให้จิตสงบอยากให้จิตตั้งมั่นรู้ทันว่ากำลังอยากอ ย, กอยู่นะความอยากจะดับอัตโนมัติและจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนั้นจิตรู้เราสร้างขึ้นไม่ได้แต่เรารู้ทันจิตหลงการจะรู้ทันจิตหลงเราก็รู้ทันไม่ได้ จงใจรู้ทันไม่ได้จะคอยรู้จิตหลงมันจะกลายเป็นจิตเพ่งเป็นหลงเพ่งแล้วก็ทําทกรรมฐานอันหนึ่งแล้วพอจิตหลงแล้วค่อยรู้บ่อยๆต่อไปจิตจําสภาวะที่หลงได้พอจิตหลงปุ๊บสติจะเกิดเองแล้วจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเองจะฝึกจนมันเกิดเองหรือบางทีไม่หลงไปดูข้างนอกไม่หลงไปฟังเสียงไม่หลงไปดมกลิ่นลิ้มรสไม่หลงไปรู้สัมผัสทางกายไม่หลงไปคิดเรื่องอื่น แต่มันถลําลงไปนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะคนปฏิบัติใหม่ร้อยละร้อยเริ่มต้นเพ่งทุกคนแนหะเนเรื่องธรรมชาติไม่ต้องตกใจอย่างจะพุโทโธก็เพ่งจิตให้นิ่งอยู่กับพุโทโธจะรู้ลมหายใจก็เพ่งจิตให้นิ่งอยู่กับลมหายใจดูท้องผ่องยุกก็เพ่งจิตให้เปนิ่งอยู่ที่ท้องขยับมือก็เพ่งอยู่ที่มือ ทำอะไรก็เพ่งตลอดนะ่ะหัดใหม่เป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะแต่ว่าไม่ใช่เพ่งไปทั้งชาตินะซื้อบื้ออย่างนั้นทั้งชาติก็ไม่ไหวไม่พัฒนาอนี้ถ้าเราคอยฝึกรู้ทันจิตไวนะ้พอจิตมันไหลไปเพง่งนะทีแรกอาจจะเพ่งไปพักหนึ่งแล้วถึงจะรู้ว่าไหลไปเพง่งนะต่อมาเราเห็นมันไหลไปเพ่งนะบ่อยๆต่อไปนะพอไหลไปปุ๊บมันไหลไปจะไปเพ่งแล้ว มันจะรู้ทันเลยว่าจิตไหลไปเพง่งทันทีที่รู้ว่าจิตไหลจิตไหลจะดับนะจิตไหลเป็นจิตอกุศลนะเป็นจิต ม, มีโมหะชนิดอุทัศจะฟุ้งซ่านทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลอกุศลจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องดับอกุศลนะโรวบปลดลงเนี่ยเราไม่ต้องดับมันหรอกทันทีที่เราเกิดสติเนี่ยมันไม่มีรวบปลดลงให้ดับแล้ว งันที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายไม่ใช่เพื่อละกิเลสนะมันไม่มีกิเลสให้ละแต่มันละอนุใสเพอเราไม่ตามใจกิเลสบ่อยๆสันดานของเราที่ไม่ดีมันค่อยลดละลงไปเรื่อยๆงั้นที่เราเจริญสติ น, นี่นะมันเป็นละอนุสัยมันไม่มีกิเลสให้ละเพราะทันทีที่เกิดสติกิเลสมันดับไปละเนี่ยวิธีฝึกนะก็คือทํามื่มฐานหนึ่งนะ จิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้จะใช้กรรมฐานอะไรก็เสมอกันหมดะไม่มีกรรมฐานอะไรดีเล็ยววกันหรอกนะไม่ใช่พุทโธดีที่สุดหายใจดีที่สุดพองยุดีที่สุดขยับมือทำจังหวะดีที่สุดอนะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดหรอก กรรมฐานใดที่ทำแล้วเกิดสตินั่นแหละกรรมฐานนั้นเหมาะสมสำหรับเรากรรมฐานแค่เหมาะสมสำหรับเรานะไม่ใช่ดีที่สุดเพราะคนอื่นมาทำกรรมฐานอย่างเราอาจจะไม่มีสติก็ได้นะมันไม่เหมาะกับจริตนิสัยของเขาดงนั้นกรรมฐานที่เราฝึกได้นะี่เราจะไปคุยวัดคนนะว่ากรรมฐานของเราดีที่สุดกรรมฐานของใครก็ของคนนั้นนะของใครของมันทางใครทางมันนะไม่เยียบรอยกัน ค ร, ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะเหมือนจะเดินไปกินน้ำในบอ่อเดียวกันเนะีเดินไปทางเดียวกันนะแต่ไม่เหยียบรอยกันทากรรมฐานเนี่ยเขาต่างใคร ต, ต่างคนต่างธรรมของตัวเองไปไม่ไปเหยียบรอยเท้ากันยุคนี้ไม่ใช่แค่เหยียบรอยเท้านะพยายามเหยียบเท้ากันด้วยนะ เ, เอาชนะกันอยากจะเก่งอยากจะดีนะปัดแ่นปัดขาอะไรกันเนะี่ยนี่เรื่องของกิเลส ท, ทั้นั้นเลย งั้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงนะเราค่อยทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งที่เราถนัดเอากรรมฐานที่เราถนัดนะทําแล้วสติเกิดบ่อยสามารถรู้ได้ว่าจิตหลงไปคิดลืมอารมณ์กรรมฐานหรือจิตไหลไปแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์กรรมฐานค่อยรู้อันนี้บ่อยๆในที่สุดจิตรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาพอเราได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ย เราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วเราจะต้องมาทําสิ่งที่เรียกว่าการแยกรูปนามแยกธ า, าตุแยกขันธ์ถ้าจิตรู้ยังไม่มีแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้หรอกอการแยกธาตุแยกขันธ์นั้นเป็นปัญญาเบื้องต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทยานเป็นปัญญาเบื้องต้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้เป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาะยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาแต่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ก่อน จะแยกธาตุแยกขันได้เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันใดเป็นผู้รู้อันใดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เวลาแยกเนี่ยต้องแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่แยกอารมณ์อันหนึ่งกับอารมณ์อีกอันนึ่งนะอันนั้นไม่มีทางเป็นวิปัสสนาเลยอย่างเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธอะไรเงี้ยมันไม่ใช่วิปัสสนามันเห็นบอกว่าเห็นไตรลักษณ์เพาเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธมันไม่ใช่การแยกรูปนาม แต่มันเป็นการจำแนกอย่างโกรธตะกี้กับตอนนี้ไม่โกรธเป็นการเปรียบเทียบสภาวะธรรมสองอันที่เกิดขึ้นคนละห่วงเวลาลงเปรียบเทียบสภาวะสองอันเข้าด้วยกันไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะอันนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่ถือจะเป็นวิปัสสนา เพราะฉะนั้นอย่างถ้ามาเห็นว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุกก็อันหนึ่งยกเท้าก็อันหนึ่งย่างเท้าก็อันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนาหรอกอันนั้นแยกรูปกับรูปนะแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปนามแล้วรูปนามที่เราแยกเนะี่ยจะต้องมีตัวผู้รู้นามยังมีสองอย่างนามจิตกับนามเจตสิก ต, ต้องแยกให้ได้นามจิตขึ้นมาก่อนนะั้นที่เราฝึกเนี่ย เรฝึกให้ได้จิตผู้รู้ น, นี่นคือตัวนามจิตไว้จะมีนำเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วเราก็จะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตก็เป็นคนละอันกั น, นอย่างนี้ถึงจเรียกว่าแยกเป็ น, นหรือร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูอันนี้เรียกว่าแยกเป็นท้องมันพองท้องมันยุบจิตเป็นคนดูอันนี้เรียกว่าแยกเป็น จะเห็นว่าท้องพองก็อนหนึง่งท้องยุบก็อันหนึง่งหายใจเข้าก็อนหนึง่งหายใจออกก็อนหนึง่งยังไม่เรียกว่าแยกหรือเห็นว่าร่างกายที่เดินกระทืบเท้าโครมโคลมนะกระโทสเป็ น, นี้คนละตัวกันอันนี้ก็ยังไม่ไม่เข้าเฝ้าจะต้องฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาแยกเอานามจิตที่มาให้ได้ถ้าไม่ได้จิตจะไม่ได้ธรรมะนะะเราะั้นเราต้องให้ได้จิตก่อนถึงจะได้ธรรมะ เราต้องฝึกึงกระทั่ทงเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บรรเบิกบานขึ้นมาพอสติระลึกรู้ลงในกายมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันอเรารึกรู้ลงในนามเจตสิกเช่นความสุขเนี่ยมันจะเห็นเลยความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตหางความสุขไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลามันเห็นความทุกข์ก็จะเห็นว่าความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูะเห็นกิเลสหรืเห็นกุศลนะมันก็จะเห็นเลทั้งกิเลสทั้งกุศลมันเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูเฉยๆไม่ไม่มีความยุ่งยากอะไรนะที่จะปฏิบัติพยายามฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูขึ้นมาให้ได้ก่อนพอเราได้จิตที่เป็นคนดูแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ที่กาย ตรงที่สติเป็นผู้ดูเนี่ยคือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมีสมาธิเป็นผู้ดูมันจะเห็นความจริงของกายนะงั้นถ้าไม่มีสมาธิคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตัวสมาธินะแต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูคือจิตที่มีสมาธิจิตกับสมาธิเป็นองค์ทำคนละตัวกันนะ สมาธิเป็นเจตสิกจิตเป็นตัวรู้แต่เป็นตัวรู้ที่ประกอบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่นันแหละเรียกว่าจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้ก็คือจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วพอสติะระลึกรู้กายมันจะเห็นความจริงของกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพัสติะระลึกรู้เวทนาสุขทุกไม่สุขไม่ทุกมันจะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกถึงสังขารที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างมันก็จะเห็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแลนะมันจะเห็นสังขารทั้งหลายจะดีหรือชั่วล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วต่อไปเราค่อยมาเห็นตัวจิตจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ฟัง จิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทางใจก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวที่ดูยากที่สุดคือจิตรู้ถ้าเราเห็นได้ว่าตัวจิตผู้รู้เองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนั้นแหละจิตจะปล่อยวางจิตได้แต่ว่าตรงนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สูงแล้วนะขั้นแตกหักแล้วนะของเรายังไม่ต้องถึงตรงนั้นนะเราเห็นว่า ร่างกายและความรู้สึกทั้งหลายไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตัวนี้ไปก่อนนะแล้วก็เห็นจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขั้นสุดท้ายมันจะมาแตกหักกันลงที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละเพราะฉะั้นถ้าเราได้จิตผู้รู้นะเราใช้เดินปัญญาได้แต่ั้ขั้นต้นนะจนถึงขั้นสุดท้ายเลย ถ้าปราศจากตัวจิตผู้รู้แล้วเนี่ยเดินปัญญาไม่ได้จริงอ่ะมันจะเจือคิดเข้าไปจะเจือการคิดเพราะผู้รู้กับผู้คิดตรงข้ามกันเมื่อไม่มีผู้รู้มันก็เป็นผู้คิดนะครับไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นการเห็นเอาเป็นการรู้เอานะวันนี้เทศดูเดือนหน่อยนะหลวพ่อเก็บขดมานานไม่ได้เทศนะ ตอนนี้ในเทศธรรมดูเดือนดหน่อยปกติจริงๆเทศทุกวั น, นสอนพระในวัดนี่พวกที่ดูไลฟ์สดอะไรเนี่ยดู youtube อะไรเนี่ยอาจจะเห็นพระของหลวงพ่อที่เห็นทั้งหมดเนี้คือพระที่อยู่ในนี้นะพระประจํำนั่งห่างๆกันที่จริงไม่จําเป็นต้องนั่งห่างกัน อ, อยู่ในนี้กันมาหลายเดือนแล้วไม่เคยไปไหนเลย คนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าไม่ได้ติดเชื้อที่ไหนหรอกเชื้อไม่ได้ลอยมาตามอากาศแต่ว่าทดลองนั่งให้พวกเราดูว่าต่อไปถ้าโยมมาก็าต้องนั่งกันอย่างนี้นะต้องนั่งกันห่างๆในศาลาเนี้ยจุได้แค่สี่สิบคนเท่านั้นแหละในพระประมาณยี่สิบครึ่งศาลาพระไม่ได้ใส่แมสเพราะพระอยู่ในวิณีเหมือนคนอยู่ในบ้าน ในบ้านนี้ปลอดเชื้ออยู่ก็เลยไม่ได้ใส่แมสแต่ข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโยมอยู่บ้างโยมพวกนี้ใส่แมสโยมพวกนี้ไม่ได้มาจากที่อื่นหรอกคือทีมแม่ครัวของวัดเป็นทีมแม่ครัวของวัดถ้าเราจะเข้มงวดไม่ให้แม่ครัวเข้าวัดเนี่ยเราคงอยู่ไม่ไหวนะบินทบทัตไม่พอฉันหรอกครับินธบัตฉันได้องค์สององค์เท่านั้นเอง ก็มีแม่ครัวแม่ครัวเนี้จะเป็นตัวกลางออกไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวมาทํากับข้าวทำอะไรนะถวายพระแต่ปกติแม่ครัวไม่ได้เข้าสารานี้นะแม่ครัวก็ยังอยู่ข้างนอกทําอาหารมาส่งมีคนรับเอามาถวายพระอีกทีแม้นนในวัดหลวงพ่อเนี่ยป้องกันเข้มแข็งมากเริ่มป้องกันมาก่อน ก่อนที่คอรมอรจะมีมติว่าจะต้องรักษาระยะหา่างเรามีทีมหมอเป็นที่ปรึกษาพวกเราไม่ต้องมาให้คาปรึกษานะขอร้องอย่ามาเสนออะไรมากมายเวียนหัวเราหลวงพต้องมาคอยตอบคำถามว่าอันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำหรอกอันนี้ทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยหลวงพมีทีมนะมีหมอเป็นทีมที่จะดูแลอยู่แล้วพวกเรา มีหน้าที่เรียงกรรมฐ า, านอย่างเดียวไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดว่าจะทำยังไงเสนอโน้นเสนอนี่นะเป็นภาระกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเสนอความคิดเห็นอะไรมากมายหรอกภาวนาไปเรียนไปแล้วภาวนาไปในนี้จัดระบบที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วนะตระดับต้นๆเลยนะเพียงแต่พระไม่ได้ใส่ชุดอะไรเขาเรียกอะไรชุดพีพอะไระไม่ได้ใสตอา น, นั้นเองตอนนั้นดูแลกันอย่างดี วันนี้สมควรแก่เวลานะสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอจบเท่านี้นะพวกเราก็ฟังกรรมฐานแล้วตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติเอาถ้าไม่ฝึกปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนไปเนี่ยหาประโยชน์ไม่ได้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนั้นท่านเปรียบเทียบนะสอนธรรมะให้ดีๆแล้วก็ไม่เอานะท่านเปรียบเทียบเหมือน ตักน้ำสะอาดใส่หลังหมาน้ําราดหลังหมานะหมาสะัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊น้ําแห้งแล้ะเราอย่าทําตัวอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติทําให้สมควรกระทำถือศีลห้าไว้แล้วทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาใจหลงไปที่อื่นจากกรรมาฐานหรือใจไหลไปอยู่ที่อา ร, รมณ์กรรมฐานคอยรู้ตัวนี้ไวนะ้ในสุดเราจะได้ใจที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ มาเจริญปัญญาต่อแยกขันแยกธาตุแยกขั น, แ, แ, ขนแล้วก็ในที่สุดความพ้นทุกข์มันก็มาถึงเราเจนได้เอาละพอล้วนะปิดได้ละทีมที่ถ่ายทอดอนุโมทนาก็ทีมงานนะทำงานกันหามรุ่มหามคำํำ